ภิกษุปัญจวคีรีทูลขอาการบรรพชาปสมบทข้อสิบแปดครั้งนั้นท่านพระอัญญากลทั ญ, ญะได้เห็นธรรมแล้วบรรลุรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านพระอัญญาโกนทัญญะนั้น ข้อสิต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงโอวาท ส, สั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือด้วยธรรมีกถาเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงโอวาท ส, สั่งสอนด้วยธรรมีกถาทำจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวปปะและท่านพระพัทยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา ท่าทั้งสองนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปอีกว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกขโดยชอบเถิดพระวาจาะนั้นแลได้เป็นการอุปสมบทของท่านทั้งสองนั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคได้สวยพระกย า, ารที่ท่านทั้งสามนำมาถวายแล้วก็ทรงโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือด้วยธรรมีกถา ภิกษุสารูปเที่ยวบินธบัตแล้วนำสิ่งใดมาทั้ง6รูปก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาทำจักษุอันปราชจากธุรีปราชจากมนทินได้เกิดแก่ท่านพระมหานามะและท่านพระอัชชิว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองชงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองชงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านทั้งสองนั้น